อ่าวันนี้เรามี แ, แขกแขกต่างชาติไม่อยู่กับเราหลายวันแนละ้วคณะอิานโดก็ยังอยู่กับเราเมื่อวานมาเลยเป็นเ จ, าาาเจ้าภาพพัานาชานี้คณะเยอรมันนอนโรงแรมไม่ได้มาเนื่องจากไม่มีร่าง ก็ไม่ไปแนไรเดี๋ยวมุ่งมุ่งไปกันเดี๋ยวจะพูดมุ่งมุ่ไปนัเห็นมีขนมปังเดี๋ยนะเไอ้ขนมปังมุ่งมุ่งออกไฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังพอจะต้องฟังนั่นก่อนอื่นขอขอบคุณเข้าก่อนนิดหน่อย เท่าที่พูดได้เนาะนิดหน่อยนิดหน่อยเพรว่าเข้ามาอินโดมาอยู่กับเราจรีนโดเขาพูดไทยได้ฟังภาษาได้นิดหน่อยแต่มาเลยไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เอไอแปลให้ใช้เอไอแปลให้วันนี้ก็เป็นจวภาพ พัฒนาสําหรับชาววันนี้ด้วยก็ขอบคุณที่ชาวคณะเป็นเจ้าภาพพัฒนาสำหรับชาวนี้ขอให้เขาสุขภาพมากคดีสุขภาพปราณามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขนอกจากนั้นก็ยัง ทำบุญสำหรับสำนักงานใหม่ของเราด้วยก็ขอขอบคุณอิงลินะมันได้เนหน่อยเองอนะ่า thank you for for, another, for host breakfast today My wife, my g r e t and her parents support a r offering for food, drink, today, and we do that for new building twenty thousand baht. s a t u r d a s a Lally, thank you. We wish you and your family a o l good health and happiness. Thank you. For more detail, you can record and. I will translate for you. So today, we will talk o u t keyword today: suffering and happiness. For more detail, I will translate for you, and thank you. คราวนี้เราพูดที่เมื่อกี้เราเกินเอาข้อไว้ก็คือสองคำที่เป็นคำจอดทิตแล้วก็เป็นคำที่พวกเราไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนอันเดียวกันเรียกชื่อไม่เหมือนกันั้งนั้นเองนั่นก็คือคำว่าทุกข์แล้วก็สุข เติมความเข้าไปเพื่อเป็ น, ำนำคำนามท่านเองสองคำนะมันมีอิทีิคนต่อพวกเราทีนี้เรามาเติมคำหน้าคำหลังคำว่าทุกข์กับสุขนี่เพื่อเห็นชัดเจนคำว่าทุกข์มันอยู่ที่ว่าทุกข์มากทุกน้อย มีทุกคนเราพูดง่ายคือทุกง่ายสุขก็เหมือนกันสุกง่ายกับสุกยากคิดว้าพวกเราเจออะไรมากกว่ากันยากหรือง่ายเลาววงแตกแล้วตอนนี้วงแตกแล้วตอนนี้ถ้าเราเอาคนนี้ถ้ายังั้นไม่เกิดปัญญา มันก็ได้แต่สัญญาคือจําจำว่าอันนี้คื อ, คอทุกข์แล้วก็เติมออกมา ก, มา ก, มากน้อยซึ่งมีที่ผลดับเราตอนี้ก็ว่าทุกข์ง่ายทุกข์มันง่ายแปลว่าทุกข์ทำไมมันเกิดขึ้นง่ายจังเลยทําไมมันคำรามันยุ่งยากสุกขก็เหมือนกันทําไมแม่สุขง่ายๆทำไมถึงยาก คำนำหน้าคำลงท้ายแต่ใ น, นสุขทุกนี่เหตุคือที่มาของเขามาจากไหนจากาไปเกยงระบกชาวคารามาจากอินโดมาจากมาเลย เ, ออเรารู้แล้วเออสองคณะนั้นมาจากอินโดมาจากมาเลยเรารู้แล้วสุขทุกนี่มาจากไหนมันมาจากไหน มันขี่เรือมาขี่รถมาขี่เครื่องบินมามั น, นมีอะไรเป็นยานพาหนะแต่ที่มาดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราสอนเราสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องทุกข์ทุกข์มาหลายทางมาหลายแบบเหมือนตอนนี้กระทุกเหมือนกัน เพราะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าทุกเนี่ยหรือสุขก็ตามเพื่อจะเจริญบอพระอรหันชัดเจนจริงเขาจะเติมเขาว่าเวทนาอย่างทุกเขาเรียกว่าทุกเขาเวทนาสุ ข, ขสุขเขาเวทนาเวทนามันก็มีทั้งสามอย่างเขาจะอยู่กับตัวไหนอยู่กับสุขอยู่กับทุกอยู่แบบกลางๆง แด่๋วถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝึกคือไม่มีสติไม่ได้สังเกตไม่เห็นว่าในขณะจิตจิตในขณะนั้นมันเป็นสุขเป็นทุกข์รู้เฉยๆแต่คนไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็จะไปโทษทุกข์สุขเฉยๆก็ไปโทษเขาแล้วก็ไปบน่นไปพรนนาว่าทำไมมันทุกข์เหลือเกิน ทำไมลำบากเหลือเกินทุกข์มากทุกข์น้อยคนที่ไม่ทุกข์เลยไม่มีคนที่ไม่ทุกข์ไ ม, ม ไ, มกไม่สุขเลยไม่ ม, มีมันก็มีอย่างนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไปถาภาพของมันไม่มีหรือสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เพราะน้นการปฏิบัติควรให้เห็นในสิ่งเหล่านี้ สนว่าใครจะเห็นมากเห็นน้อยเข้าใจมากเข้าใจน้อยก็เช่นเดียวกันละทุกในอยู่ในหมวดของอริยสัจสีที่พูะเจ้าเราพยายามที่อธิบายให้เราเข้าใจให้เข้าใจคือเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพราะมันมีอยู่ในชีวิตประจาวันทุกวัน มันเป็นเหตุหรือเป็นผลคำตอบก็คือเป็นผลทำอย่างไรจึงจะรู้จักทุกเอาทุ ก, ก่อนอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องสุขอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้ถ้าเรากำลังรออยู่ตอนนี้จริงๆแล้วก็คือรอที่จะบำบัดทุกคือทุกเขเวทานาที่เรากินดื่ม ทุกวันะั่นคือบรรเทาเวทนาแต่นี่จะมองสิ่งเหล่านี้เป็นอริยสัจสี่ได้อย่างไรเราเรามาืกี้ได้มองว่ามันทุกหมอมันหิวมันอยาก็เติมเข้าไปเติมเพื่อบรรเทาคือลดลดความหิวความอยากคือทุกขเวทนานั่นเองนั้นถ้าเราจะมองเราจะมองให้เป็นอริยสัจสี่ บ่ออริยสัจสมองมองเป็นกระบวนการครําว่ากระบวนการในที่หมายถึงว่าเริ่มต้นทํากลางสุดท้ายเป็นภาษาเราคื อ, อดีตปัจจุบันอนาคตทีเราคุยกันแต่ผู้เจ้าท่านเรียงให้เราก็คืออดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันอันี้มองอาหารมองยังไงให้เป็นอริยสัจสีคือเช็นการเกิดและการดับความหมาย มันเกิดยังไงมันดับยังไงองาหารที่อยู่ในถ้วยอาจารย์ตอนนี้สารพัดมากมายอย่างวันนี้จะาภาพประหารก็คือคณะพระยามาลีอิโดก็เป็นเจ้าภาพมาแล้วถ้าจะมองว่าเอออันนี้ก็การนำเสนออริยสัจสี่ในรูปแบบอาหารพูดง่ายๆคือเสิร์ฟอาหารในรูปแบบอริยสัจสี่ คือมองให้เป็นอริยสัจสีก็คือคำว่าทุก์ที่เราป้อนเข้าไปที่จะหยิบเข้าปากหวานมุมปลายลิ้นกลางลิ้นอันนี้เขาเรียกว่าเสริร์อริยสัจสีทุกเพื่ออะไรเพื่อบำบ้างแล้วมองสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นทุกได้อย่างไรตั้งสติเบื้องตอ้สติเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันมาอย่างไงอยู่อย่างไงและไปยังเมื่ออาหารอาหารที่ตั้งอยู่ปลายลิ้น สติใช่ยังไงใช้ปัจจุบันใช้กับปัจจุบันปัจจุบันในขณะนั้นทุกขณะชั่วปัจจุบันอาหารที่เรามีอยู่ผู้เจ้าเรียงให้เราดูว่าอาดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันอาหารที่เราวางอยู่เป็นอดีตเป็นอดีตก็แปลว่ากุ้งหอยปูปลาหมูหมาหมาเขาไม่กินกันน ทั้งหมดเนี่ยเดิมทืออดีตเขามีชีวิตอันนี้คืออดีตบองเป็นอดีตอนาคตก็เหมือนกับพวกเราปัจจุบันเรากําลังจะหยิบเข้าปากอันนี้คือสติเมื่อหยิบเข้าปากเสร็จแล้วก่อนนั้นทุกพอหยิบเข้าปากปุ๊บสุขะคือสบายอร่อยชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปอยู่ปากเข้าปากเสร็จแล้วมันก็ดับข้าวหลาดดับ เลยล่วงลําคอเข้าไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วมาเลยละทุกขะเริ่มจากทุกขคือผลเขามันเปรี้ยวหวานมันเค็มคือผลก็สู่ตามตัวกระเพาะลำไส้ไอ้อย่างเนี้ยเริ่มละทุกขะปรากฏละไม่ถึงยี่บสีชั่วโมงทุกขะหรือว่าทุกขะจะต้อง อ, ออกแหละแต่เราไม่ได้มองมองแค่อร่อยก็จบแะ ในแต่ละวันหนึ่งมือ้อสองมือ้อสามมือ้อเพราะเราไม่มองอย่างนี้คือมองไม่ครบประเด็นคือเราไม่เห็นตั้งแต่ต้นจนจบถ้านับนับแค่หนึ่งสองสามันมี 7, 8, 9, 9, ตั้งเจ็ดเก้าเลขกตั้งเก้าสิบตัวเรานับแค่หนึ่งสองสามได้แค่สามแต่จริ ง, รงนับได้แค่หนึ่งเหมือนที่เรากินเข้าไปนับแค่หนึ่ง คือหยิบเข้าปากเพาอร่อยไม่อร่อยหลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดก่อนนั่นก็ไม่ได้คิดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอริยสัจสีคือไม่ครบคือไม่เห็นที่มาไม่เห็นการตั้งอยู่แล้วเห็นการดับไปอริยสัจสี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นพอหยิบเข้าปากเสร็จแล้วมันก็ดับมันก็หายที่หยิบเข้าปากเพราะอะไรเพราะว่าสมุทยัยคือต้นเหตุคือความอยากก็คือตัณหานั่นเอ ง, เองนั่นคือต้นเหตุ เพิ่งหยิบเข้าปากเสร็จแล้วนิโรธพอหยิบเข้าปานกนิโรธมันก็ดับดับนิโรธดับก็ดับเพราะนั้นหนทางเรารู้แล้วว่าหนทางที่ให้มันดับก็คือเนี้ยหนึ่งสองสามก็คือมักเ่ยเองทําให้มันดับไปแล้วมันก็เกิดอยู่อย่างเนี้ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอันนี้แค่ของกินอย่างเดียวชีวิตเรายิ่งกว่านั้น คือเรามองไม่เห็นเลยว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงแปลว่าอะไรแปลว่าภพชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรอันนั้นยิ่งหนักยิ่งไกลกว่านี้เพราะนั้นง่ายที่สุดในชีวิตประจำวันก็คือมองอย่างนีน้เหมือนตอนกินท่านซื้อบอกให้พิจารณา อย่าไปคุยกันเหมือนพระสองฆ์องค์เจ้าเช่นเดีกันเวลาหยิบข้าวปากเนี่ยมันบอกว่าเออข้าวปลาอาหารได้มีหยิบไปเมื่อก่อนมีชีวิตกินเพื่อดับเวทนาเพื่อบำบัดเวทนาไม่ได้กินผู้อความอิ่มหนีพีมันความอร่ อ, อยอร่อยให้คิดอย่างนี้เสมอเพราะถ้าเป็นภาษ า, า ง, ง่ายๆสิ่งที่อร่อยที่เราหยิบข้าวปาก ไม่ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามสุดท้ายเป็นภาษาเราง่ายๆทังก็เป็นอุจจ ร, ระปัสสาวะพอตอนนั้นเราไปพูดถึงแล้วเราไม่คิดถึงแล้วพอเป็นอุจจาระปัสสาวะเพอเราเราไม่พูดถึงมันเนี่ยพอเราไม่คิดให้มันจบถ้าเราคิดมันจบเรากินอะไรก็ได้บริโภคอะไรชั้นอะไรก็ได้ให้มันพอเหมาะพอดีให้มัน รู้จักประมาณในการกินกูจะบอกว่ากูเฉยมันอนี่ป็นการมองอันนี้เราพูดแค่แค่ปากอย่างเดียวนะเราจะไปพูดเรื่องอื่นเลยแค่ปาาอย่างเดียวเนี่ก็สามารถที่จะเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบตัติในชีวิตประจำวันทีนี้เรามองไปแปลกว่านั้นว่าลัางตะ ก, บกีบข้าปากไปแล้วเปรี้ยวหวานมันเค็ม นั่นคือต้นเหตุของโรคสาเหตุของโรคทั้งหลายเลยไขมันเบาหวานความดันทั้งหลายเลยมันมาจักหลายวันที่ผ่านมาหลายคนเสียชีวิตเพราะอันนี้แหละต้นเหตุคือความดันคือตายแบบไม่น่าตายบคนออกกาลังอยู่ดีดู กลับบ้านเปิดแอร์นอนหลับไปเลยเนี่ยร้อนกับเย็นร้อนกับเย็นมันปรับตัวไม่ทันตอนหลับไปเลยบางคนอยู่ดีดีเส้นเลือดอุดตันมาช่วยงานวัดเราอยู่ดีๆทํางานแล้วะก็กดว่าเส้นเลือดไม่เป็นเราเลี้ยงหัวใจ ถ้าเลือไม่เลี้ยงหัวใจเสร็จมันก็ไม่ไปสมองทำให้สมองตายสมองพอเนี่ยก็เหตุหนึ่งก็กินเนี่ยมันมาจากไหนก็จะอาหารก็คือไขมันเห็นหมั้ยสรุปเราต้นก็คืออาหารที่เราจิบเข้าปากเนี่ยก่อนจิบให้พิจารณา น, นี่ถึงที่เป็นประโยชน์มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษอยู่ในตัวเองเพราะนั้นเราอายุเยอะ สะสมไว้เราไม่ดูพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าของเราในมือเดียวแล้วออกกําลังคือเดินทั้งวันนอกจะเดินจงกรมแล้วเดินทั้งวันตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าตื่นก็เป็นประกาเราง่าย ไ, ไมไ่กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอยู่แล้วก็ไปหาจะไปโปรดคนไหน พิจารณาดูผู้ย้าของเราดูเวลาอย่างพวกเราเรากินเดินนั่งยืนนั่งนอนไม่ได้เหมือนพวกเราผู้จ้าของเราเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเรานอนน้อยพักน้อยมากทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนหวัวคำ่ำเด็กแล้วก็หัวรุ่งคือใกล้สว่าง นี่คือเวลาทํางานของพรุทธจ้าเไม่เหมือนพวกเราพวกเราหกโมงยังไม่ตื่นบอกคนตื่นเก้าโมงสิบโมงไปโน่นเออนี่ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าพระสอง อ, องค์เนยนนะไม่ได้ว่าใครวัดนหลวงพุทธเจ้าเออชาวบ้านเขาที่สี่ที่ห้าเขตื่นแล้วออกไปไปหากินอนะ่ะไปวินทบาทเพูดเพราะจริงๆนะบอกว่าไปโปรดสัตว์นะ ไปปวดสัตว์หรือไปให้สัตว์ปวดก็ไม่รูนะ้ต้องระวังนะถ้าไปปวดสัตว์นะ่ะตัวเองต้องมีคุณสมบัติพร้อมแต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติอนะ่ะเหมือนก็ไปให้สัตว์เขาปรดนะอันนี้อันตรายต้องระวังเพราะงั้นความเป็นอยู่ของสมณะหวงพ่อไปพูดถึงว่าววสมณะสัญญามันต้องมีสมณะสัญญา เป็นที่มาของสมณะสารูปสองคำมือสำคัญถ้าพระเราหรือนักบูชไม่ได้มีสำนึกสำเนียกใอสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นนิสัยนิสัยไม่ผลแกได้พอนิสัยเสร็จถ้ามันเป็นถาวรมันแกไม่ได้เขาไม่เรียกนิสัย เขาเรียกอะไรเขเรียกสันอะไรนะเขเล็กสันดอนเหรออืมถ้าถ้าย่อสองคเนี่ยนะถ้าเป็นรถอะ่ะต้อบอกว่านิดแล้วก็สันครบเลยนะนิดคืออะไรก็ไม่รู้สันคืออะไรก็ไม่รู้ อันนี้หัน็ิสันละถ้าเป็นนิสันแ ล, ล้วอันตรายละคน อ, อ, อยจะไปนั่งนะั้นนิสันนะใครนั่นนิสันนี่เปลี่ยนเลยนะอื ม, มันจะกายถาวรเลยนะเออนี่ต้องระวังแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนอันเช้าวันนี้เราก็ได้พูดถึงว่าสุกทุกข์มันจะเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นยากก็อยู่ที่เราเพราะเราเป็นคนสร้างมันจะให้มันเกิดง่าย หรือเกิดยากมันอยู่ที่เราอยู่ที่วิธีคิดทํามันมันทุกข์ก็ทำมันทุกข์ยากหน่อยเถอะอยากมันง่ายมันง่ายเกินไปสุขก็เหมือนกันแหตที่ท้มันสุขอะไรง่ายๆที่ก็สุขเดี๋ยวเริ่มงต้งจากความคิดความคิดของเราน่ะคิดให้มันสุขก็ได้คิดให้มันทุกข์ก็ได้แต่เราไปคิดให้มันเป็นทุกข์เออแล้วไปโทษความคิดเองที้ไม่โทษตัวเองไม่โทษผู้ผลิต กับเป็นทวกผูบริโภคเราเป็นทุกบริโภคเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตคนมนุษย์เราในศาสนาพราหมณ์เขาเรียกว่าผู้สร้างผู้รักษาผู้ทําลายเขาแยกกันนะศาสนาพราหมณ์หรือพุทโมผู้สร้างผู้รักษาแต่ก็ผู้ทําลายสามคนมรัตีมรติสามงามสัญลักษณเขาสามงามเขาแยกกัน แต่มนุษย์นี่เก่งกว่าเป็นผู้สร้างก็ได้เป็นผู้รักษากระได้เป็นผู้ทำลายก็ได้ในตัวคนเดียวกันมันเก่งกว่าพระเจ้าเรามนุษย์อ่ะมันก็บอกพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้ทาลายเนี่ยคนเก่งอย่างเงี้ยรางกระฝากพวกเราทุกคนใกล้จะสิ้นปีใหม่แล้วเดี๋ยวก็ชายโยมหหิวลว ผมไม่รู้เอาต้อนรับตน้นเขาบอกต้อนรับปีใหม่ต้อนรับอะไรก็ไม่รู้ส่วนปีเก่าไม่พูดถึงละปีเก่าที่ผ่านมาสามร้อยกว่าวันเราก็ไม่พูดถึงแล้วสักพักไม่กี่วันนี้ก็เด็กเจียวโฮกิวปีใหม่กันละปีใหม่บางคนก็หลายคนเขาไปเกิดใหม่ก็มีนะคือน่าจะเบื่อแล้วเกิดมานานแล้วเบื่อ ก็ไปเกิดไปทีนี้ไปเกิดเป็นอะไรนั่นคือปัญหาใหญ่ระนนั้นวันวนี้ก็ขอควาคติความคิดของเราสุขทุกข์วันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเร็วช้าง่ายยากไม่อยู่ที่เราคุณผู้สรา้างโอผู้เรียนมาหมดตอนนี้ก็น่าจะเกือบสามร้อยวันแล้วที่ผ่านมาเนี้ยเราก็น่าจะรู้ว่าสุขทุกข์ ที่มันสลับข้าเข้ากันไปที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นบทเรียนเราก็มาถอนบทเรียนในชีวิตเราที่ผ่านมาทั้งหมดเราจะอยู่ให้มันทุกข์หรืออยู่แบบให้มันสุขแต่ถ้าพระพุทธเจ้าบอกบอกว่าถ้าใจเรามีสุขมีทุกข์อยู่มันก็จะเป็นอย่าง้พุทธเจ้าทั้งบอกว่า้นจากสิ่งเหล่านี้คือ้อนจากสุขและทุกข์เมื่อนั้นใจมันจะอิสระ คือมันไม่สุขไม่ทุกข์คือปล่อยทั้งสุขและทุกข์นั่นคือจิตของผู้บริสุทธิ์จิตของผู้มุ่งสู่พระนิพพานจับไม่มีคำว่าสุขและทุกข์อยู่ในใจเพราะนั้นตราบใดที่สุขทุกข์อยู่ในใจมันเป็นอย่างนี้ต้องยอมรับความจริงว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บหรืออื่นๆที่ตามมามันลกเลี่ยงไม่ได้อยู่ที่ว่า เราจะให้มันทุกน้อยสุขน้อยทุกมากสุขมากอยู่ที่เราแต่งเราคือใจวิริใจทุกอย่างมาจากใจเรามาจากความคิดคําพูดการกระทำสามอย่างนะั้นเป็นที่มาของสุขและทุกขถ้าเราจัดการความคิดคํำพูด การกระทําที่แสดงเกี่ยเราได้หรือควบคุมได้ในระดับใดระดับหนึ่งผู้เราก็จะทุกข์น้อยเวลาไม่สุขก็จะไม่หลงจนมากเกินไปแต่ถ้าใจเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้คือเหนือสุขเหนือทุกข์คือพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ดันั้นคือเป้าหมายในการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ นั้นวันนี้ก็ฝากเขาคิดธรรมะวันนี้ให้พวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะสมกับคําที่พวกเราโบราถวายทานก็คือเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประโยชน์และความสุขนั้นจงเป็นแก่พวกเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านเถิด